บุกท <Book> <46. S 3> ูสี่สิบหกอรมุตอสตตเอกุสีในดิสโกเทกดิสโกเทอาเซดกทที่นั่งนี้ว่างไหมครับเอสอาดกิลิทาวิสุภาลีย ผมนั่งกับคุณได้ไหมครับเฉิดะเลาคุณทนดาวจเดเิดะเลาคุณทนดาวจเดเชิญครับามนบิามนบิคุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรครับโรโกรมกจุนต์มูสิกา รกรม ก, มกเสียงดังไปนิดครับชมาอูมานีายนแต่วงดนตรีเล่นดีมากครับมามเอสจูปอากัดอาัมเอสจิกอากัอกราคุณมาที่นี่บ่อยไหมครับ อักชรัขาอักชรัขาไม่บ่อยนี่เป็นครั้งแรกครับอปิรเวลัดอปิรเวลัดผมไม่เคยมาที่นี่เลยครับอักอารสต罗ิวรอักอารสิวรคุณอยากเต้นรำไหมครับ k t k t อีกเดียวอาจจะไปครับ a l b t m g w i a n e b i t a l b t m g w i a n e b i t ผมเต้นไม่เก่งครับ Kargat r e k a Kargat r e k a ง่ายมากเลยครับ Is yes. อผมจะแสดงให้คุณดูไม่เป็นไรวันอื่นดีกว่าครับจจวคุณรอใครอยู่หรือเปล่าครับ วินเมสเอลดบิดวินเมสเอลเดบิดใช่ครับรอแฟนอยู่ีชมป์เมกบาร์สียขชมสม์เมกอบาร์สเขามาแล้วครับไอ s อซิ s modest I is